๙ปัทมมรณสติสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่หนึ่ง๑๙สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะัคิดชะกาวัสถารามในนาธิกคามณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้ทูลรับสนองพระดํารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุททั้งหลายมรณสติที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงมากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดภิษุทิั้งหลายเธอทั้งหลายยังจเจริญมรณสติอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้ว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 เราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมานัสิกานถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากหนอะข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังจเจริญมรณสติอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอจเจริญมรณะสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์คิดอย่างนี้ว่าโอ๋นาเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราพึงมานัสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทากิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ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 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์จะยังเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอเจริญมรณสติอย่างไรภิกษุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋นอเราพึงอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวสถึงห้าคำ เราพึงมณสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณาสติอย่างนี้ภิสษุอีกรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์จะยังเจริญมรณสติอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพิกษุ เธอจเจริญมรณสติอย่างไรภิกสุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋เนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคาข้าวหนึ่งคำเราพึงมานสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนาะข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ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 ในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงมนสิการคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์จเจริญมรณสติอย่างนี้ เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดเจริญมรณสติว่าโอ๋นอเราพึงเป็นอยู่ได้ตลอดคืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมนัสิการคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทากิจให้มากหนอภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่า โอ๋เนาเราเพึงเป็นอยู่ได้ตลอดวันหนึ่งเราเพึงมานสิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราเพึงทํากิจให้มากหนอะภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋เนาเราเพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบินธบาทมื้อหนึ่งเราเพึงมานสิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราเพึงทํากิจให้มากหนอะ ภิกษุรูปใเปดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋เนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคําข้าวสี่ห้าคำเราพึงมรณสิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทํากิจให้มากหนอเรากล่าวว่าภิกษุเหล่านี้ยังเป็นผู้ประมาทอยู่ยังเจริญมรณสติอย่างเาางพลาเพื่อ ความสิ้นอสวะทั้งหลายส่วนภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงอยู่ได้เพียงขณะเคี้ยวกินคําข้าวหนึ่งคาเราพึงมนสิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทากิจให้มากหนาและภิกษุรูปใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ๋นอ เราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะลมหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงมานักสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทากิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าภิกษุเหล่านี้เป็นผู้ไม่ประมาท เจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอสวะทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียดอย่างนี้แลปธรมะมรณสติสูตรที่เก้าจบ